ภิกษุณีเมตยาใส่ความพระทั พ, พะมะรลบุตรครั้งนั้นภิกษุณีเมตยาเข้าไปหาพระเมตยะและพระภูมิมัชกะถึงที่พักพรั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเมตยะและพระภูมิมัชกะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าดิฉันไหวเจ้าข่าเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นพระเมตยะและภูมิมัชกะก็ไม่พูดด้วยเธอจึงกล่าวว่า ดิฉันไหว้เจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเมตยะและพระภูมชิชกาก็ไม่ยอมพูดด้วยภิกษุณีเมตยะกล่าวต่อไปว่าดิฉันทำผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดกับดิฉันภิกษุทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นแหละน้องหญิงพวกเราถูกพระทัพพระมรรดบเบียดเบียนเธอยังเพิกเฉยอยู่ได้ภิกษุณีเมตยาถามว่า ดิฉันจะช่วยได้อย่างไรเจ้าคะ่ะภิกษตทั้งสองตอบว่าถ้าเธอเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพะมรบุตรศึกภิกษณีเมตติยาถามว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะทำอย่างไรจะช่วยได้ด้วยวิธีไหนภิกษตทั้งสองตอบว่ามาเถิดน้องหญิงเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับครั้นถึงแล้ว จงกลับทุลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมทิศที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยที่ที่ไม่เคยมีเสนียดจันไรก็กลับมีเสนียดจันไรทิศที่ไม่เคยมีอุปัทถวะก็กลับมีอุปัทถวะในที่ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ําก็ดูเป็นเหมือนน้ําร้อนขึ้นมาหม่อมฉันถูกพระทัพพระมาลบุตรคมคืน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 หลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงให้นางภิกษุณีเมตยาศึกแต่พระเมตยะและพระภูมิชกะได้แจ้งภิกษุทั้งหลายว่าท่านตั้งหลายอย่าให้นางภิกษุณีเมตยาสึกเลยนางไม่มีความผิดพวกกระผมโกรธไม่พอใจต้องการให้พระทัพพระมรบุตรพ้นจากพรหมจันท ร, ร์จึงชักจูงนานภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านตั้งหลายพวกท่านใส่ความพระทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปาราชิก ที่ไม่มีมูลหรือพระเมตติยะและพระภูมิชะกะยอมรับสารภ า, าพบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลทนาว่าฉะนนพระเมตติยะและพระภูมิชะกะจึงใส่ความท่านพระทัพพะมาลบุตรด้วยอบัติปารชิกที่ไม่มีมูลเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพระเมตติยะและพระภูมิชะกะโดยประการต่าง แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ